เป็นเรื่องดีที่คนสนใจธรรมะแต่หลวงพ่อมีทรัพยากรจำกัดคือมีแรงจำกัดมีเวลาจำกัดนะดูแลได้ไม่ทั่วถึงไมเนนะ่เหมือนแต่ก่อนนะก่อนอยู่เมืองการช่วงแรกๆมีไม่กี่คนวันๆหนึ่งห้าหกคนเจ็ดคนสิบคนเราก็ว่าเยอะแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็หลายร้อยวันๆหนึ่ง มันเป็นไปนไม่ได้ที่หลวงพ่อจะคุยด้วยทุกคนต้องทําใจนะถือว่าเรามาเอาธรรมะเราไม่ได้มาคุยกับหลวงพ่อบางคนน่จะภูมิใจได้คุยกับหลวงพ่อเรื่องไร้สาระเราไปเอาสิ่งซึ่งไม่เป็นสาระมาเป็นสาระและ้วสิ่งที่เป็นสาระจริงๆก็คือธรรมะนี่บางทีพอเรียนกับหลวงพ่อแล้วก็เกิดสงสัยนะสงสัยขึ้นมา มีโอกาสถามหลวงพ่อก็ถามนะถามได้แต่ถ้าไม่มีโอกาสถามไปฟังซีดีเวในซีดีที่หลวงพ่อเทศน์นนะพูดได้เลยว่ามีทุกคำตอบอะไม่ใช่เที่ยวร่อนเร่ไปถามใครต่อใครมั่วๆนะนี้เที่ยวไปเรียนที่ น, นั่นที่นี่เพียเพ้ยนเพียนไปเยอะเลยนะตอนนี้คนสอนดูจิตเยอะแยะเลยแต่มันเป็นการสอนแบบไม่ไมตรงหลักที่พระพุทธเจ้าสอน หลักของการทำวิปัสสนานะต้องมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางส่วนใหญ่ไม่ยอมรู้กายรู้ใจนะที่ไปเรียนๆกันน้อมใจไปในความว่างๆอะไรนะ่างเงี้ยไปอยู่กับความว่างพระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งสอนอย่างนั้นท่านก็ไม่ได้บอกให้เอาจิตไปประดิษฐานไว้ที่ไหนนะไม่ให้เอาจิตไปแปะไว้ตรงน้นจิตไปแปะไว้ตรงนี้ ถ้าให้รู้รู้ว่ามันทำงานรู้ถึงความมีอยู่ของมันก่อนแล้วก็เห็นการทำงานของมันไปมันทำเองมันไม่ใช่เราหรอกนะดูไปงั้นถ้าไม่มีโอกาสถามหลวงพ่อนะไปฟังซีดีเอามีทั้งนั้นแหละหรือบางคนซึ่งพอไว้ใจได้นะก็พอมีบ้างอย่างวันนี้เห็นมีหมอนัฐมาคนหนึ่งหนะมอนัทอาจารย์สุรวัตรนะแม่ชีครูบาอาอะไรพวกนี้ พวกนี้อยู่ในขั้นพอใช้ได้ที่หลวงพ่อสอนให้หลวงพ่อสอนแบบเทกระเป๋าให้แล้วนะแต่หลวงพ่อไม่มีกระเป๋าต้องเรียกว่าเทย่ามให้ทุกวันนะมีย่าม <c oughs> ค่อยๆเรียนค่อยๆฟังค่อยๆสังเกตมีสิ่งสองสิ่งที่จะช่วยเราได้นะ1หนึ่งกัลยาณมิตรอย่างมาถามครูบาอาจารย์หรือไปฟังซีดีอะไรเงี้ยนะอีกอันหนึ่งคือโยนิโสมนสิการ ใช้ความสังเกตใช้ความแยบคายในการสังเกตตัวเองว่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่นั้นมันออกนอกหลักของการมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงหรือเปล่า mm hmm. ถ้าออกนอกหลักนี่ก็คือผิดนั่นแหละไปรู้ความว่างเนี่ยไม่ใช่รู้กายรู้ใจไปเห็นกายเห็นใจทํางานแล้วก็แทรกแซงจนมันเสื่องซึม mm hmm. กายก็ซึมใจก็ซึมนะก็ใช้ไม่ได้ไม่ได้รู้ตามความเป็นจริง รู้ตามความเป็นจริงแค่จิตโมโหรู้ว่ามันโมโหจิตมันไม่โมโหรู้ว่ามันไม่โมโหนะร่างกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนเห็นกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนนะไม่มีเรายืนเดินนั่งนอนเห็นจิตมันโลภจิตมันโกรธจิตมันหลงไม่ใช่เราโลภเราโกรธเราหลงนะเห็นกายเห็นใจมันทํางานไปเรื่อยนะไม่พลาดหรอกหลวงพ่อก็เดินมาด้วยวิธีนี้แหละครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็เดินมาอย่างนี้แหละแล้วอดทนนะ นค่อยๆสังเกตตัวเองไปภาวนามาหลายวันแล้วใจเหมือนเดิมทุกวันเลยต้องทําผิดแน่นอนนะอะไรมันจะเที่ยงขนาดนั้นหรือภาวนามาแล้วมันมีแต่ความสุขล้วนๆเลยอะไรมันจะสุขขนาดนั้นมันมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ทุกขังนะไม่ใช่มีแต่สุขขังหรือภาวนาแล้วรู้สึกกูเก่งกูเก่งนะภาวนาแล้วทําไมอัตตาเกิดขึ้นแทนที่จะเห็นว่าเป็นอนัตตาเนี่ยอย่างนี้ทําผิดแน่นอน ถ้าเราช่างสังเกตรเราแยบขายมีโยนิโสมนัสิการแยบขายในการสังเกตกายสังเกตใจของเราสังเกตการปฏิบัติของเราเราจะรู้เลยว่าเราอยู่ในร่องรอยหรืออยู่ออกนอกร่องนอกรอยไปแล้วเนี่ยหลวงพ่อภาวนามาก็ด้วยวิธีนี้หลวงพ่อไม่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์มากหรอกที่ไม่ได้อยู่ใกล้ท่านไม่ใช่ว่าไม่อยากไปอยู่ใกล้นะแต่ไม่มีปัญญาไปอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์แต่ก่อนอยู่อีสาใกล้ที่สุดคือหลวงพ่อพุทธนะเดือนหนึ่งไปได้ครั้งเดียวอะ ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ไกลมากกว่านั้นหลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมจันมหาบัวอะไรนะนานกว่าจะได้ไปทีหนึ่งหลายเดือนระหว่างเวลาที่เราไม่เจอครูบาอจารย์เนี่ยต้องพึ่งตัวเองยโยนิโสมานาสิการแต่ก่อนหนังสือ ก, ก็ไม่มีให้อ่านนะมีส่วนมากก็เป็นประวัติครูบาจารย์ไม่ได้บอกวิธีปฏิบัติละเอียดยิบอย่างที่หลวงพ่อบอกทุกวันนี้ครบมีแต่ท่านบอกหลักคร่าวๆ อย่างบางองค์อย่างหลวงปู่ดูก็บอกไปดูจิตบอกเท่านี้อย่าส่งจิตออกนอกบอกเท่านี้อ่านกี่วันมันก็มีอยู่แค่เนี้ยมีกี่ประโยคอะนะพาฒนากนารปังตายเลยกว่าจะเข้าใจหรือหลวงปู่ทาสอนมีสติรักษาจิตต้องจิตนะไม่จิตหรอสอนนิดเดียวนะทํากันปังตายไม่รู้จะทํำยังไงอะหลวงพ่อนะ่ยแจกแจงธรรมะจนละเอียดยิบเลยนะเรียกว่า ถ้าเลี้ยงแบบคนโบราณเลี้ยงลูกอะ่ะมีกล้วยอยู่ลูกหนึ่งนะเอาช้อนมาขูดขูดขูดขูดนะจนเละเลยนะแล้วก็ค่อยป้อนนะคนยุคนี้เครื่องย่อยไม่ดีขี้เกียจนั่นแหละเพราะว่าอะไรต้องย่อยให้ละเอียดยิบเลยนะไม่ย่อยอย่างนี้ก็ไม่ค่อยรับนะท้องอืดท้องเฟอ้อนะบางคนเฟอ้อมากนะล่นออกมาทางปากไปไหนก็คุยธรรมะใจใจใจเลยนะนี่พวกท้องอืดท้องเฟอ้อ สรุปแล้วก็คือถ้าไม่ได้ถามหลวงพ่อนะไปฟังซีดีแล้วสิ่งที่จะช่วยเราได้มากอย่างนึงก็คือความช่างสังเกตโยนิโสมนานสธิการคอยดูซิเราปฏิบัติอยู่ในร่องรอยที่ถูกต้องหรือเปล่ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงในปัจจุบันหรือเปล่านะหรือว่าไปดัดแปลงมันไปผิดปกติผิดความจริงถ้าอยู่ในหลักนั้นก็ใช้ได้ ช่างสังเกตนะอะไรก็ไม่ดีเท่าช่างสังเกตถ้าเราคิดว่าเราเป็นพระริยาเราสังเกตใจด้วยมีความเป็นตัวเป็นตนผุดขึ้นมาบ้างไหมถ้าไม่มีความเป็นตัวเป็นตนผุดขึ้นมาเลยนะ่ะมันไม่ผุดเพราะว่าอะไรเพราะเพ่งเอาไว้หรือเปล่าถ้าใจไปติดล็อกอยู่แท่ใดที่หนึ่งนะความเป็นตัวตนก็ไม่ผุดขึ้นมาให้ดูก็มีนะต้องช่างสังเกตจริงๆนะไม่งั้นพลาดพลาดแล้วพลาดนานหลายภพหลายชาติชาติหน้าก็คุ้นเคยที่จะทําผิดอีก ต่อไปหลวงพ่อจะเริ่มตรวจกันบ้านหลวงพ่อจะให้คนซึ่งต้องการถามนะยกมืออาจจะยกตั้งห้บคนร้อยคนแต่วันวันหนึ่งหลวงพ่อจะตอบได้สักสามกว่าคนไม่เกิน40่สิบคนนะขั้นแรกเลยขอร้องคนที่ไม่จําเป็นจริงๆอย่าถามเลยสงสารคนอื่นบ้างนะอย่าถามเอามันอย่าถามเอาสนุกอย่าถามเอาเก่ง งั้นจำเป็นจริงๆค่อยถามถ้าไม่จําเป็นอย่ายกมือเลยประเภทยกมือขึ้นมาขอเข้ามาหลวงพ่อขอบคุณหลวงพ่ออะไรเงี้ยนะที่หนูทําอยู่เป็นยังไงคะอนะไรเงี้ยซ้ำๆซากๆเจอทุกวันจะถามทุกวันอนะไรเงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์อเลยนะเอาที่จําเป็นจริงๆนะจําเป็นจริงๆแล้วเฉลี่ยให้คนอื่นบ้างในความเป็นจริงแล้วคํำตอบของครูบาอาจารย์แต่ละคํานั้นไม่ได้ทําวันเดียวหรอก ทำกันแรมเดือนแรมปีคำสอนของหลวงปู ด, ดูลงคำสอนนะหลวงพ่อใช้เวลา ย, ย่อยถึง20ปี20กว่าปีนะประโยคที่ย่อยนานที่สุดก็คือพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง20ปี20กว่าตั้งแต่2 6ยัน4 6 4 7กเลยนี่งั้นไม่ใช่ต้องถามหลวงพ่อรายวันหรอกนะไม่จำเป็นจริงๆหรอก มีปัญหาเกิดขึ้นอาจาจะรู้สึกมีปัญหาจริงๆช่วยตัวเองก่อนขั้นแรกสังเกตดูตามหลักที่หลวงพ่อสอนหลวงพ่อสอนหลักให้ทุกวันนะจ้ำจี้จ้ำชัยคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อกล้ายืนยันเลยว่าหลักของการปฏิบัติเนี่ยแม่นที่สุดเลยไปฟังที่อื่นแล้วจะรู้เลยว่ามันรวมตรงไหนมันมีจุดอ่อนตรงไหนคนนี้ภาวนาตรงนี้พลาดตรงไหนเราจะรู้เลยนะเพราะสิ่งที่หลวงพ่อบอกให้มันคือหลักของการปฏิบัติ ที่พระพุทธเจ้าท่านวางหลักสูตร์เอาไว้ให้งั้นถ้าเราจับหลักให้แม่นนะคําถามแทบจะไม่มีละเห็นไหมมันจะลดจํานวนคนที่ต้องการถามลงนะเอาละต่อไปนี้เราก็ถือว่าคนที่ยกมือเนะี่ยคือคนที่รู้สึกพิจารณาแล้วเรามีความจําเป็นจริงๆจะต้องถามแต่จํานวนคนที่จะต้องถามก็ยังเยอะกว่าจํานวนความสามารถที่จะตอบนะเพราะฉั้นต้องเลือกนะ บางคนก็จะมาเจ้าแง่แสนงอนหลวงพ่อไม่เรียกแล้วก็น้อยใจน้อยใจกระบิดกระบวนไม่ไม่เอาใจอีกต่อไปแล้วแต่ก่อนนี้โอ้โหนะโอแล้วจะยิ่งอ่อนแอลงเรื่อยๆนะต้องเข้มแข็งหน่อยต่อไปต้องดูคนที่อยู่วัดคนไหนต้องการส่งกันบ้านไหมเชิญ หลวงพ่อให้สิทธิ์คนอยู่วัดก่อนเพราะโอกาสอยู่วัดน่ะยากเต็มทีนะเจดแปดปีถึงจะได้มาอยู่สักครั้งกับนักการหลวงพ่อครับเมื่อวานที่หลวงพ่อบอกว่าจิตผมนิ่งแล้วเมื่อตอนเช้ามืดนี่ผมลองนั่งภาวนาแล้วก็ดูจิตตัวนิ่งครับนี่มันก็แวบไปแล้วแต่มันก็กลับมานิ่งอีกครับดีอย่าให้มันนิ่งถ้ามันนิ่งอยู่รู้ว่านิ่งอย่าไปเพ่งเอามันไหลไปไหลามาดีที่สุดนะครับนี่ผมยังติดเพ่งอยู่ใช่ไหมติดเพ่ ง, ตพงแต่ว่าบากว่าเมื่อวานะ ดูออกไหมใจมันคลายออกครับดูออกครับถ้าเราคลายออกนะจิตจะเคลื่อนไหวก็ะตุกกะดิ๊กกระตุกกระดิ๊กทั้งวันถ้าเราเพ่งไว้จิตจะนิ่งนิ่งใช้ไม่ได้นะครับผมก็ภาวนาอย่างนี้ต่อไปนะครับเออรู้สึกไปรู้ให้มันเห็นกระตุกกระดิ๊กไปครับผมอย่าให้มันนิ่งนะครับกับการของคุณ <c oughs> น้ํานิ่งน้ําอย่างเน่าเลยจิตนิ่งจิตก็เน่านะเน่าจมความซึมซึมเสื่องเสื่องอยู่นะไม่ดีไม่เกิดตัญญา จิตจะมีปัญญาต้องทำงานออกมากระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบแล้วก็มีสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงในกายในใจนะถึงจะเกิดปัญญาอ้าวต่อไปคือพอหลวงพ่อพูดเลยไม่รู้จะทำอะไรจริงๆก็รู้สึกเอานะไม่มีอะไรถามรู้สึกกายรู้สึกใจไปเน่อตอนนี้จิตไปคิดทําบไหมทราบค่ะทราบแล้วไปผ่าน <Okay. S 2> การปฏิบัติไม่มีอะไรหรอกให้รู้สภาวะที่กำลังปรากฏอยู่คุณมาลีผ่านสมการหลวงพ่อครับผมตอนนี้ทำปฏิบัติแล้วมันเป็นยังไงบ้างรครับดีสิตอนนี้ใช้ได้ครับใจมันเริ่มปลงขึ้นมาแล้วดูออกไหมครับแต่อย่าไปประคองให้นิ่งนะยังมีประคองอยู่ครับปล่อยให้มันทำงานอย่าไปรักษามันไหม กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะที่ปฏิบัติอยู่ใช่ได้ไหมคะอยากให้หลวงพ่อดูสบายว่า้ค่ะกดไปนิดนึงนะยังกดอยู่ดูออกไหมอย่าไปกดให้ใจนิงอย่ากด <c oughs> ถ้ากดแล้วกายจะไม่สแสดงไตรลักษณ์ใจไม่สแสดงไตรลักษณ์มันจะดูเที่ยงเที่ยงดูมีความสุขดูบังคับได้แทนที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามจะเป็นนิจจังสุขขังอัตตาไปของโยมยังกดนิดหน่อยนะใค่อยๆรู้ทันเนา ต่อไปให้ยกมือนะไม่ใช่ทุกคนที่ยกแล้วจะได้หรอกแล้วก็ไม่ต้องรีบยกหลวงพ่อไม่เอาความไวอีกต่อไปแล้วเอาความไวนะมันไม่เป็นธรรมมันเท่าเทียมทางโลกนะแต่มันไม่เป็นธรรมโลกกะระทั่งบางทีก็ไม่เหมือนกันหรอกอ่ะกลุ่มนี้ใครสนใจจะยกมือเชิญอ่ะว่าไปโอ้่น่ารักมากอันนี้มีสองคนยกไว้ เบอร์อะไรมีเบอร์ไหมไม่มีเบอร์กับเบอร์ร้อยสบอ็ดเอาไม่มีเบอร์ก่อนไปเอาไม่ไปเชื่อหลวงพ่อสีจะถามเยอะดูเให้มากนะรู้ทันตัวเองให้บ่อยหลวงพ่อไม่ได้มานั่งถามกูบาจารย์เยอะเลยนะแต่สังเกตเยอะแล้วจับหลักให้แม่นการนมัสการหลวงพ่อเจ้าคะ่ะตื่นเต้นคะ่ะต้องไงไปกดไว้ดูออกไหมอ๋อค่ะเดีนะ๋ยังกดอยู่นะ เวลาอยู่ข้างนอกใจก็ฟุ้งดวอกไหมอ๋ออ๋อนะฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านนะมาเจอหลงพ่อแล้วกดก็รู้ว่ากดค่ะนะพื้นของคุณมันเป็นจิตฟุ้งซ่านแล้วก็รู้เอาค่ะนะอยากจะถามว่าที่เคยปฏิบัติอะค่ะแนวแนอดีตแนวอดีตนั่นเออค่ะถูกต้องไหมคะเพราะว่าอย่าไปกดไว้นะค่ะให้รู้สึกเอาอยากกดเอาใจโล่งโปร่งเบาสบายถูกต้องไหมคะโล่งอย่างนี้ไม่ใช่ <Ginger> โล่งอย่างนี้น้อมใจให้ว่างน้อมใจให้โลงยังไม่อยู่ตื่นเต้นเลยคะ่นะอย่าไป น, น้อมใจให้มันนิ่ ง, งๆว่างๆนะเราไม่ได้ฝึกเอาความว่าง <warmer> ฟังหลวงพ่อให้ดีนะตัวนี้สําคัญที่สุดเลย <unun> เราฝึกเพื่อให้เห็นความเป็นจริงของกายของใจเราไม่ได้ฝึกให้จิตใจว่างๆ <Ever> ไม่ได้ฝึกเอาดีไม่ได้ฝึกให้มีความสุขไม่ได้ฝึกเอาความสงบแต่เราฝึกให้เห็นความจริงของกายของใจดูกายทํางานดูใจทํางานดูบ่อยๆค่ะนะ การที่เรารู้กายรู้ใจอยู่เรียกว่าเรารู้ทุกข์อยูนะ่หน้าที่ของผู้ปฏิบัติคือรู้ทุกข์ให้คอยรู้กายรู้ใจรู้ทุกข์เมื่อไหร่แจมแจ้งเมื่อไหร่นะจะปล่อยวางไม่ยึดถือพอเราไม่ยึดถือทุกข์คือไม่ยึดถือกายยึดถือใจตัณหาจะไม่เกิดขึ้นอีกเรียกว่าละสมุทยัยนะเนี่ยตอนนี้จิตไปคิดทราบไหมทราบค่ะยังเพ่งอยู่นะไม่เลิกเราจะแก้ไขยังไงล่ะแก้เหรอไปฟังซีดีแล้วจะได้คําตอบ ไปดูเอาเราไม่ได้ฝึกแก้ทําไมเราอยากแก้เราอยากให้มันดี是是ใช่ไหมเราไม่ได้ฝึกเอาดีไงบอกแล้วเราฝึกตามความเป็นจริงเห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานไปนะ เ, เบอร์อ11ออร11ครับขึ้นค่ะการทำพิธีการมหลวงพ่อรับเดินทางจากมาจากขอนแก่นครับพอดีฟังฟังโหลดของหลวงพ่อมาฟังจากเนต็ตนะครับอครับก็ฟังได้สองสมเดือนแล้วครับครับก็ก็ดูก็ มันก็เห็นนะครับความโกรธก็ก็จะเห็นเร็วเร็วมากขึ้นก็คือปุ๊บเห็นตั้งแต่ปฏิฆะครับเครื่องเริ่มเครื่องละแต่คือก็ไอความโกรธมันหายครับแต่โลภกับราคะนี่คือมันก็ก็เห็นอยู่ครับหรือว่าจิตผมมันยังไม่เป็นผู้รู้ที่แท้จริงครับไม่ต้องไปหาทางให้เป็นผู้รู้นะจิตมีราคะรู้ว่าจิตมีราคะแต่มันก็ไม่หายมันก็ยังจุกจุกอยู่ที่ในอกใครบอกอให้ทําให้หายครั บ, บอกให้รู้ตามความเป็นจริงเ <laughs> ห็ครับราคะถ้ามีเหตุราคะก็เกิด หมดเหตุราคาถึงจะดับไม่ใช่เพราะเราไปดับราคานะสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุ ด, ดับสิ่งนั้นถึงจะดับนะเราเรียนตรงนี้เราจะเห็นเลยเราบังคับไม่ได้จิตจะมีราคาเราก็ห้ามไม่ได้นะมีราคาเกิดแล้วสั่งให้หายก็ไม่ได้แม่นี่คือความจริงเราเรียนให้เห็นความจริงตรงนี้นะแต่ไม่ได้เรียนให้ราคาดับหรอกเดี๋ยวเป็นพัฒนาคาแล้วมันดับเอง แล้วโมหะนี้ไม่เคยไม่ไม่ไมค่อยเห็นนะครับเนี่ยอย่าง<น>ตอนนี้ใจมันฟุ้งซ่านรู้สึกไหมที่คุยตะเกียมันงุงด้งดๆๆๆนั่นแหละโมหะนะลักษณะโมหามีหลายตัวอันนึงฟุ้งซ่านไปอีกอันหนึ่งก็ซึมซึมอีกอันนึงก็สงสัยลังเลเรรวนวุ่นวายอยู่อย่างตอนเนี้ยมีโมหะแล้วรู้สึกไหมใจมันลอยไปนะั่นมันลืมเนื้อลืมตัวเมื่อไหไร่ลืมกายลืมใจเมื่อนั้นมีโมหะเนี่ยมีโมหะอีกแล้วดูออกไหมครับ เอออย่างนี้ดูเป็นล้ว<อ>ไปทาต่อนะขอบคุณครับหลวงพ่อเมื่อก่อนสักยี่ปีก่อนนะอีสานนั่นแหละแหล่งของครูบาอาจารย์เลยนะก็ลงไปกับครูบาอาจารย์ดูแล้วท่านก็ไล่ให้ไปทําเหมือนกันครับก็ให้ไปนั่งนั่งดูผมก็ไปนั่งๆก็ไม่ค่อยพัฒนาอะไรเลยครับออ น, นั่นแหละครูบาอาจารย์วัดป่าท่านเป็นอย่างนั้ท่านไม่พูดง่ายหรอกไม่สอนอย่างหลวงพ่อบางทีเราเนก้อทาไมไม่ยอมบอกนะบอกเราซึ่งนิดเดอยเราจะสบายขึ้นเยอะเลยนะ ที่แท้ท่านไม่บอกหรอกท่านให้เราค้นคว้าเอเองครูบาอาจารย์ทางอีสานนะสอนด้วยการทําให้ดูไม่ได้สอนด้วยคําพูดงั้นอยู่กับท่านนะอย่างครูบาเนื้อสอนมาเล่าปีแรกที่อยู่กับท่านนะท่านสอนอยู่เรื่องเดียวประโยคเดียวที่สอนอย่าขี้เกียจนะหนื้อสอนประโยคที่หนึ่งนะหนึ่งปีอย่าขี้เกียจนะประโยคปีที่สองเจอกันพุทโทไวนะ้เนอร์ ฝึกกันหลายปีนะนหลายปีนี่พอท่านมาเรียนกับหลวงพ่อนะรู้ว่าทำอะไรเพื่ออะไรนะแล้วท่านไม่ได้ไปคิดเอาท่าน ไ, ไปดูเอาท่านบอกเลยว่าถ้าใช้ข้อวัดของวัดป่านะแล้วใช้หลักของหลวงพ่อนะจะสบายที่สุดเลยถ้าไม่มีข้อวัดเลยเราขี้เกียจขี้เกียจเราอ้างว่าเราดูจิตจริงๆไม่ได้ดูหรอกขี้เกียจดังนั้นเราต้องมีข้อวัดไว้นะท่านอนุสร์ท่านคอมเมนต์ดี บอกถ้ารู้หลักของหลวงพ่อนะแล้วไปทำด้วยข้อวัดแบบวัดป่านะไปฉลุยเลยเอา้าวกลุ่มนี้ใครจะยกมือบ้างมีไหมเอาเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดเบอร์หนะ้าต่อไปอย่างนี้ก็ห้ามด้วยนะอย่างสมมติหลวงพ่อเห็นหน้าแล้วคนนี้มันยกแกล้งแกล้งไม่เอาไม่เรียกนะเอาเบอร์77็บเจ็ดเอาไปเอาอย่างนี้ดีมากเลยไม่ต้องแย่งชิงกันเด็ดเหนื่อย กราบหลวงพ่อเจ้าค่ะช่วงนี้จลิตเหมาะดูอะไรอะค่ะฮะทำไมจลิตเป็นช่วงๆล่ะหนูอ่ะก็ช่วงนี้มีทุกข์เยอะมากค่ะก็ดูทุกข์ดูได้บ้างดูไม่ได้ว่างคือเดี๋ยวสู้กับมันเดี๋ยวก็ของหนูนะใจมันไม่เป็นกลางใจมันเกลียดทุกข์ให้ไปรู้ทันใจที่เกลียดทุกข์นะใจที่ไม่เป็นกลางค่ะบางทีมันก็ไม่เห็นว่ามัน ะะแต่เห็นแต่ว่ามันดิ้นมากๆากเลยเออน้ำดิน้นสมมติดูอะไรไม่รู้เรื่องเราเห็นมันดิ้นกระดูกมันดิน้นไปเห็นจิตมันดิ้นนะไม่ใช่เราดิน้นดูไปนะอดทนเอ า, าใหม่ๆก็ลําบากงี้แหละแต่พอพาวนาเป็นเราจะพบว่าง่ายที่สุดเลยค่ล้ายๆเราขับรถยนต์ขับรถเป็นใช่ไหมขับรถได้ไหมได้ค่ะหัดใหม่ๆนึกออกไ้มว่าขับรถวันแรกนะเรารู้สึกว่าเดินง่ายกว่าขับรถใช่ไหม เดี๋ยวนี้รู้สึกขับรถง่ายกว่าเดินการภาวนาเหมือนกันนะอย่างหัดใหม่ๆเรารู้สึกแหมหลงนี่มันง่ายนะรู้ตัวมันยากเราฝึกไปฝึกไปนะัเราจะรู้สึกหลงนี่ยากๆทายังไงมันจะหลงบ้างน ะ, ะมันรู้ทั้งวันทั้งคืนเลยรู้มากเกินไปก็ไม่ดีอีกแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรารู้ถูกอยู่ะคะสังเกตเอานะเราเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงไหมเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาไหมเราเห็นการทํางานไหม กิเลสเกิดขึ้นเรารู้ทันเปล่าใจลอยไปคิดรู้ทันไหมหลงนานไหมหรือหลงสั้นคนทั่วๆไปหลงนานหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับพอเราหัดภาวนานะใจไหลไปคิดแวบๆบแบบสองนาทีรู้ขึ้นมาก็ถือว่าใช้ได้ฝึกไปอีกต่อมาหลงไปนาทีหนึ่งก็รู้แล้วโอดีอกว่าเก่าต่อไปใจไหลแวบบรู้สึกแวบบรู้สึกนั้นยอดเยี่ยมเลยไม่ใช่ไม่ไหลนะไม่ใช่ไม่ไหลบางคนบอกว่าจิตไม่ไหลไปไหนเลยเห็นตลอดเวลาเลย นี่เพ่งเอาไว้แน่นอนทําผิดนะถ้าทําถูกก็จะเห็นเลยเดี๋ยวไหลวับวับวับวเราจะรู้สึกไปเรื่อยนะของคุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะนิ่งหรอกไม่นิ่งหรอกนะคะใจมันช่างคิดไปเรื่อยด้ค่ะช่างดินด้วยค่ะอืมนะดูใจไปดูใจนะใจไม่เป็นกลางก็รู้ทันไปนะค่ะออาเบอร์ห้าเบอร์ห้ า, ข, า <5. S 2> ข้างหลังนะข้างหลังเสื้อแดงๆโอ้วันนี้ใกล้จะหมดละไปถึงท้ายห้องละะ ธรรมะมันต้องเรียนอย่างนี้ไม่อยาเรียนแล้วโอ้ยเหมือนเกมโชว์วุ่นวาย <c oughs> น้ำมัศการเจ้าค่ะหลวงพออ่อวันนี้หนูมาอาลธนาให้หลวงพ่อทุบหนูให้เละเลยค่ะยังประคองอยู่นะหนู่ดูออกเปล่า <c oughs> ไม่ออกค่ะหนูรู้สึกไม่หนูชอบคุยใ <c oughs> ช่เว <c oughs> ลาเล่าแล้วเอ็นจอยรู้สึกัหมค่ะ <c oughs> ให้รู้ทันแล้วหนูมีความฟุ้งซ่านเป็นปกติใช่เปล่าคะใช่ <c oughs> แล้อย่างนี้หนูก็เลยดูฟุ้งซ่านทั้งวันให้หนูดูอย่างนี้เห็นจิตมันฟุ้งซ่านไม่ใช่เราฟุ้งซ่านนะเห็นจิตมันฟุ้งซ่านดูอย่างนี้เรื่อยๆแล้วหนูหนูขออีกคำถามนึงเจ้าค่ะหนูอยากทราบ ว, ว่าพระอาจารย์สอนออดูกายแล้วหนูพอเข้าใจดูเวทนาก็พอจะเข้าใจแต่ไม่ใช่ว่าดูเป็นหมดนะคะกายเวทนาดูจิตก็พอที่จะเข้าใจแต่ว่าอีกอัน ทำเนี่ยทำนี่คือดูตัวสภาวะของมันล้วนๆเลยแล้วก็ดูกระบวนการทํางานของสภาวะอย่างเช่นรู้นิวรณ์เงี้ยไม่ใช่รู้แต่ตัวนิวรณ์นะนถ้ารู้ตัวนิวรณ์อย่างเดียวมันจะเป็นดูจิตแต่นี้เราจะรู้ด้วยว่านิวรณ์เกิดจากอะไรนิวรณ์มาได้ยังไงนิวรณ์ดับไปได้ยังไงทําไงนิวรณ์จะไม่เกิดขึ้นอีกนะรู้กระบวนการของเขาด้วยแล้วแล้วหนูจะทราบยังไงคะในเมื่อเวลามันคิดคิดขึ้นมาเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องสนใจว่ามันจะเป็นฐานใด นะอันใดชัดเจนจรู้ว่า น, นั้นแหละแต่สุดท้ายมันจะไปลงที่ทําเหมือนกันหมดเลยจะไปแจ้งอริยสัจเหมือนกันแล้วมันมันต่างกับฟุ้งซ่านยังไงครเพราะบางทีจิตหนูเขาก็สอนธรรมะหนูเองอย่างวันนี้หนุนนันตื่นขึ้นมาเขาก็ เ, <อ>เขาก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดแต่เหตุ<อ>ก็แล้วก็เงียบไปแล้วหนูก็คิดว่าเอออันนี้มันฟุ้งซ่านหรือเปล่าให้รู้ทันว่ากําลังฟุ้งซ่านอยู่ว่าเอ๊ะกำลังฟุ้งซ่านหรือเปล่านั่นแหละกําลังฟุ้งซ่านละ เรียนรู้ลงปัจจุบันแล้วจะไม่พลาดนะยูะลงปัจจุบันอย่าทิ้งปัจจุบันเจ้าค่ ะ, ะต่อไปเบอร์ร122พยายามชูเบอร์นะทุกคนรี่สสมเออจูนครช่วยบอกว่าเบอร์ไหนอยู่ไหนแล้วก็ต่อไปเบอร์78บนะลนกล่าวนสการครับที่ผ่านมามันคล้ายๆกับการมันไม่คงเส้นคนวาบางวันก็ มันก็เห็นอย่างที่หลวงพ่อเห็นนะครับแต่ช่วงใ น, ในี้แนใจเล้วว่าเห็นอย่างที่หลวงพ่อเห็นอ ะ, อ, ะ, อ, ะ, อ, ะอาเอ า, เอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเาเอปอ ย, อยออเอาเออาเอาอาอ่อพเอาเอาเอาเอาเอาดอาั่ดาดอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอามันก็าบบ เ, นนเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอเอาเันเอาเอาเอาเอาัอาเอาเอเอาเอาเอคือเราต้องมีข้อาัดไว้นะ มีระเบียบมีวินัยในตัวเองทุกวันถึงเวลาปฏิบัติต้องแบ่งเวลาไว้ทําในรูปแบบบ้างส่วนเมื่อเราทําในรูปแบบเป็นปกติแล้วเนี่ยบางช่วงสติเกิดปล่อยบางช่วงสติไม่ยอมเกิดเลยเราห้ามมันไม่ได้อาจามหาบัวเคยสอนนะบอกว่าผู้ภาวนาทุกคนนะไม่ว่าใครทั้งสิ้นหลับางวันเหมือนมรรคนิพพานจะมาอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วบางวันภาวนาไม่เป็นเลยเป็นทุกคนนะเพราะจิตมีธรรมชาติเจริญแล้วเสื่อม มันเจริญได้มันก็เสื่อมได้เราไม่ได้ภาวนาเอาเจริญถ้าเราภาวนาเอาเจริญเราจะต้องกลุ้มใจตายเลยเพราะว่าวันหนึ่งมันต้องเสื่อมเราเอาภาวนาเอาความจริงเห็นไหมเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมทุกอย่างบังคับไม่ได้แต่เราขยันนะเราขยันดูไปด้วยจะมาอ้างว่าอะไรอะไรก็เจริญแล้วเสื่อมเพราะงั้นไม่ต้องปฏิบัติหรอกปฏิบัติไปแล้วมันก็เสื่อมไม่ได้คิดเอาเองเราภาวนาเพื่อให้ใจมันเห็นความจริงงั้นเรามีสติคอยรู้อย่างตอนนี้จิตหนีไปคิดและวทราบไหม ก็หลวงพ่อทักก็เลยรู้ครับแต่ช่วงนี้มันตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นไม่เป็นไรนะควรคุยกับหลวงพ่อก็ตื่นเต้นทั้งนั้นหละแล้วไงใจลอยไปอีกแล้วทราบไหมก็มันดีรู้สึกว่ามันพุ่งไปที่หลวงพ่อนะครับเอานะให้รู้ทั น, นแน่ใจเล้วก็พุ่งมาที่หลวงพ่อตอนนี้รู้สึกผมว่ามันหมุนวนไปที่ไหนก็ไม่รู้แล้วนั่นแหละมันจะหาอะไรไม่เจอพยายามรู้สึกตัวไว้ <น>เราที่ผ่านมาที่ที่ผ่านมานะใช้ได้นะแต่ต้องไปมีระเบียบวินัยนะทุกวันทําในรูปแบ บ, บถึงเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมไหว้พระสวดมนต์อะไรเงี้ยทําทุกวันเีจะทําให้เรามีกําลังไม่หลงนานครนะแล้วการภาวนานะบางช่วงก็จเจริญบางช่วงก็เสื่อมเนี่ยจเจริญแล้วเสื่อมจเจริญแล้วเสื่อมนะอาจารย์สิงห์ทองก็เคยสอนว่าจิตมีธรรมชาติจเจริญแล้วเสื่อมเนี่ยอาจารย์สิงห์ทอง ครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาเก่งๆท่านก็สอนลงเป็นอันเดียวกันหมดเลยท่านไม่ได้บอกว่าจงภาวนาให้เกิดแต่ความเจริญไม่มีหรอกเพราะงั้นบางวันก็ดูได้บางวันก็ดูไม่ได้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าดูได้ก็ดูดูไม่ได้ก็ดูไม่เลิกหรอกนะครับดูไม่ได้ก็รู้ว่าดูไม่รู้เรื่องก็แค่นั้นเองแค่นั้นก็รู้เรียบร้อยแล้ว ก็แต่บางทีรู้แล้วกีเลสมันแรงมากผมผมที่เป็นต่อกีเลสเราเป็นเป็นรองกิเลสมันเป็นต่อแล้วทําผมก็ต้องคอยทําตามกีเลสอย่างเช่นเวลาโกรธหรือเวลายึดมาในความคิดความเห็นนะครับให้รู้ทันนะตรงยึดในความคิดความเห็นนะของเราเป็นเยอะถ้าสติเรารู้ทันว่าตรงนี้เราพูดไปด้วยความยึดในความเห็นแล้วมันจะคลายออกเองครับแต่ยังโกรธแค้นขึ้นมานะสู้ไม่ไหวจริงๆนึกถึงศีลไว้ น, นะรเราต้องยังไงก็อย่าผิดศีล น, นะ ศีลเป็นปราการด่านสุดท้ายของเราเลยเพระหลุดจากศีลเราไม่ใช่มนุษย์ลนะเบอร์ v 78แล้วก็ค่อยมา146 145นะ78ยกมือแกร็บได้มาจัดการหลวงพ่อคะ่ะ มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของของการปฏิบัตินะคะคือว่าปกติก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติมากเคยเรียนถามหลวงพ่อไว้ตั้งแต่ครั้งก่อนว่าปกติแล้วจะง่วงมากหลวงพ่อก็บอกว่าให้ใหเดินจงกรมให้ให้เดินช่วยเดินไปเดินมาก็มีอยู่วันหนึ่งอะคะ่ะฟังเทปแต่ระหว่างที่ไม่ได้เดินก็จะฟังเทปหลวงพ่อบ่อยพอเดินแล้วเนี่ยก็เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะเราอันนี้จะเรียนถามหลวงพ่อว่าหนึ่งคือฟุ้งซ่านหรือว่าคิดผิด คือว่าเดินแล้วมีความรู้สึกว่าการที่เราเป็นคนกําหนดว่าอ่ะยกคือเราเป็นคนกําหนดจังหวะการเดินซึ่งมันไม่ใช่จังหวะธรรมชาติของตัวเองแต่อย่าไปทําสิมันเป็นเรื่องผิดปกติไปก็เลยรู้สึกว่าทําไมเราไม่เราไม่ตามให้ทันกับสิ่งที่ที่ธรรมชาติของเราไปอะคะ่ะโอ้นั่นเป็นความคิดที่ดีมากเลยหลวงพ่อพูดบ่อยๆนะว่าเรามีหน้าที่ฝึกสติให้เร็วขึ้นไม่ใช่หน่วงอารมณ์ให้ช้าลงกิเลสมันไม่ช้าด้วยหรอก ถึงเดินช้าๆนะกำหนดไว้กิเลสก็เกิดเยอะแยะนั่นเรามีหน้าที่ฝึกสติให้ไวขึ้นไวขึ้นแล้วลวันนั้นพอลองพอได้คิดอย่างนั้นก็เลยเออเราลองเปลี่ยนวิธีการดูเปลี่ยนแล้วรู้สึกว่าสนุกมากอะคะอ่ะ เ, เดินเดินเดินแบบมีจังหวะช้าเร็วถอ ย, นยหน้าถอยหลังตรงเนี้ยตรงเนี้ยให้รู้ทันลงไปอีกชั้นหนึ่งกิเลสเราอีกชั้นว่าสนุกใช่ไหมว่าสนุกนะแล้วมันเห็นไหมรู้สึกมันละต่อไปเนี่ยมีแต่เรื่องสู้กิเลสเท่านั้นเลยกิเลสมันชั้นเชิงเยอะ ท่นี้ถ้าอย่างนั้นจะเรียนถามหลวงพ่อเพื่อความมั่นใจว่าถ้าหากอย่างนั้นเนี่ยต่อไปในการเดินจงกรมเนี่ยก็คือว่าให้เราเดินตามตามธรรมดาของเราไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนคอยระวังว่าค่อยๆเป็นจังหวะแต่นี้น ม, มันจะไปขัดกับลักษณะที่คนอื่นเขาเดินกั น, ร น, ะะนไไหรือเปล่าคะช่างเขาอะไรเราไม่ได้เดินขัดกับที่พระพุทธเจ้าบอกก็แล้วกันเดินจงกรมตามที่พระพุทธเจ้าบอกนะท่านสอนองี้ดูรักภิกษุทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ให้รู้ชัดว่าเดินอยู่ ท่านเคยสอนไหมว่าเดินมีกี่จังหวะไม่ค่ะเราจะไปกรุ่มใจทําไมถ้าไม่ได้เดินทําจังหวะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะอาจารย์คิดเองกลาวพระพุทคุณค่ะเราเดินเพื่ออะไรเราเดินรู้สึกตัวรู้สึกกายรู้สึกใจเดินเห็นกายมันทํางานเดินเห็นจิตมันทํางานนะเดินเพื่อสิ่งนี้เราไม่ได้เดินเอาท่าสวยๆถ้าเดินเอาสวยๆเราต้องไปหัดเป็นนางแบบนะเดินบนแคทวอล์ เดินให้สวยงามหรือเดินแบบโยธวาทิศเดินแบบทหารปุ๊บปุ๊ปุ๊แหมมีจังหวะเราไม่ได้ฝึกเอาท่าทางเราไม่ได้ฝึกเอาระยะทางด้วยไม่ใช่จะต้องเดินได้ร้อยเที่ยวถึงจะเลิกแล้วรีบจำๆให้ครบหนึ่งร้อยเที่ยวเราไม่ได้เดินเอาเวลาไม่ใช่ว่าเดินหนึ่งชั่วโมงพอหนึ่งชั่วโมงก็พ้นทุกพ้นร้อนไปทีอย่างนั้นเดินเอาเวลาเดินเอาระยะทางเดินเอาท่าทางไม่ใช่สาระไม่ใช่แก่นสาร สาระแก่นสารอยู่ที่ว่าเราเดินด้วยความมีสติไหมนะเดินด้วยความมีปัญญาไหมเดินด้วยความมีสตนะิร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกนะเดินด้วยความมีปัญญาคือเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่มันไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตใจที่ทํางานมันก็ทําเองไม่ใช่ตัวเราหรอกแม้มีแต่เรื่องรู้กายรู้ใจนะเบอร์ร้อยสีบหกดรัมมัสการเจ้าค่ะลูกแก้มมีวิบากกรรมมาก แล้วก็มาที่นี่เป็นครั้งแรกต่อค่ะทําไมรู้เราวิบากกรรมมากอย่เชื่อมันนะกรรมเก่าเนี่ยมันผ่านไปแล้วไม่ว่ากรรมเก่าจะส่งผลมาให้เราต้องผเผชิญอะไรเนี่ยเราทํากรรมใหม่ที่ดีไว้ชาพุทธเนี่ยเราไม่ไปกังวลถึงกรรมเก่านะพระพุทธเจ้าบอกอดีตก็ผ่านไปแล้วเราไม่เอาแล้วไม่ต้องไปคิดถึงมันกรรมเก่าเนี่ยส่งผลให้เราต้องม า, ผาเผชิญกับสถานการณ์ปัจจุบัน เราเผชิญกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยสติด้วยปัญญานี่เรากําลังทํากรรมใหม่ที่ดีแล้วอนาคตเราจะดีขึ้นเราจะมีความสุขมากขึ้นนะแต่ถ้าเราไปพวงถึงกรรมเก่าเรือยใจเราจะท้อแท้หดหู่เราไม่สามารถสู้พัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นได้นะลืมกรรมเก่าไปซะนะแล้วก็มีสติอยู่คอยรู้กายคอยรู้ใจลงปัจจุบันการมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันเนี่ยเป็นการทํากรรมใหม่ที่เป็นบุญอย่างยิ่งเลย บุญใดก็ไม่ประเสริฐเท่าบุญที่ประกอบด้วยสติด้วยปัญญาบุญที่ประกอบด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยจะพาให้เราพ้นทุกข์อย่างถาวรได้ะงั้นหนูอยู่กับปัจจุบันนะอย่าไปกังวลถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราทุกวันนี้ยอมรับไปสิ่งทั้งหลายที่เราเผชิญทุกวันนี้มันมีเหตุมาทั้งสิ้นมายุติธรรมแล้วมันสมควรที่เราต้องเจอสิ่งเหล่านี้ แต่ทุกสิ่งที่เราเจอเนี่ยกำลังเป็นบทเรียนสอนธรรมะเราทั้งสิ้นมันอยู่ที่เราวางใจถูกไหมถ้าเราเจอสิ่งต่างๆแล้วเราก็ท้อแท้ใจแบบคากเก่าไม่ดีใจเราฝ่อนะก็เท่ากับเรากำลังทำกรรมใหม่ที่ไม่ดีคือฝึกใจให้ท้อแท้งั้นถ้ามีสภาวะที่ไม่ดีเกิดขึ้นในปัจจุบันเนียอะไรไม่ดีเกิดขึ้นนะให้เรามีสตินะให้เรารู้ทัน จิตใจของเรากังวลรู้ว่ากังวลจิตใจเราอยากให้หายรู้ว่าอยากให้หายอยากให้มันพ้นไปเร็วเร็วรู้ว่าอยากความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ให้ทันไปเรื่อยนะพความอยากดับเนี่ยเราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะด้วยที่เราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับมันอีกแล้วทุกอย่างเหมือนความฝั น, ผ, นผ่านผ่านมาเท่านั้นไม่มีสาระหรอกนะความทุกข์ทั้งหลายมันจะหลุดลอยไปจากใจเราเชื่อหลวงพ่อนะฝึกนะคนที่เรียนตามหลวงพ่อสอนเนี่ย ความทุกข์หลดนหายไปเยอะแยะเลยชีวิตจิตใจเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยในเวลาเดือนเดียวก็เปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะรู้สึกไปเบอร์ร้อยสี่ห้าร้อยสี่สิบห้าแล้วก็ห้าสิบเจ็ครับคือเพิ่งเริ่มฝึกมาได้ประมาณสองเดือนนะครับแต่ไม่แน่ใจ เลยว่าฝึกได้ถูกไหมอะครับที่ฝึกอยู่หัดรู้ลงปัจจุบันนะความรู้สึกใดเกิดขึ้นในปัจจุบันรู้ไปเช่นภาวนามาแล้วเกิดไม่มั่นใจรู้ว่าไม่มั่นใจรู้ว่าไม่แน่ใจรู้อลังเลสงสัยเนี่ยอย่างตอนเนี้ใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมครับเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็รู้จิตใจไปทําอะไรก็รู้นะใครรู้สึกส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นจิตหนีไปคิดฟุ้งซ่านเนี่ยแค่นั้นก็พอแล้ว เวลาที่เราภาวนาเนี่ยแค่เห็นสภาวะธรรมคู่ใดคู่หนึ่งก็พอแล้วเช่นเราเห็นจิตฟุ้งซ่านแล้วก็จิตไปรู้ว่าฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ฟุ้งอีกแล้วก็มีจิตอีกดวงไปรู้อีกนะเดี๋ยวก็ฟุ้งเดี๋ยวก็ไม่ฟุ้งเดี๋ยวก็ฟุ้งเดี๋ยวก็ไม่ฟุ้งเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลง เ, เห็นอยู่แค่นี้แหละพอแล้วจิตที่ฟุ้งไปหลงไปนะเป็นตัวแทนของอกุศลและจิตจิตที่รู้สึกตัวว่าเมื่อกี้หลงเนี่ยเป็นตัวแทนของจิตที่เป็นกุศล เราภาวนาไม่ใช่เพื่อให้จิตเป็นกุศลตลอดเวลาแต่ภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงว่าจิตที่เป็นกุศลและจิตที่เป็นอกุศลนั้นนเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เลื่แต่บังคับไม่ได้อย่างจิตจะหลงไปคิดบังคับไม่ได้ดูออกไหม mm hmm. จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้รู้สึกแล้วสั่งให้อยู่นานๆก็ไม่ได้อย่างตอนนี้จิตไปคิดอีกแล้วทราบไหมนเนี่ยดูเขาทํางานจนวันหนึ่งปัญญามันเกิดมันเห็นเลยจิตนี้มันไม่ใช่ตัวเรามันทํางานของมันได้เอง mm hmm. แล้วมันจะรู้อย่างอื่นไปด้วยว่าไม่ใช่ตัวเราจะเห็นว่าร่างกายเขาไม่ใช่เราอะไรอก็ไม่ใช่เราแล้วที่ฝึกอยู่นี่คือเห็นจริงหรือว่าเียังบง<อ>งับคบ ง, บงคับยังบังคับอยู่<อ>เริ่มเห็นแล้วละ่ะแต่ว่าเห็นด้วยกันไปเค้นเค้นมันบังคับมัน<อ>นะให้เห็นให้เป็นธรรมชาติมากกว่านี้รู้สบายสบายบนะทุกวันไหว้พระสวดมนต์นะไหว้พระสวดมนต์ถือศีลหไว้ก่อนแล้วไหว้พระสวดมนต์นะแล้วก็คอยดูจิตใจเขาทํางานไปเรื่อยๆ เราสวดมนต์อารหังสัมมาเนี่ยใจหนีไปคิดแวบ ร, รู้ทันสัมพุทโธพัควาห น, นีไปอีกแล้วรู้ทันอะไรเงี้ยนะสวดไปหนูได้ศึกษาพระธรรมจากซีดี น, <CD S 1> นะคะยุ้งมืออยู่นี่ค่ ะ, ะได้โอกาสศึกษาพระธรรมจากซีดีแล้วก็นังสือค่ะก็เลยได้อลอง ปฏิบัติเองมาเรื่อยๆอยากจะสอบถามว่าหนูพอจะเข้าร่องเข้ารอยหรือว่าพอที่จะยึดเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปได้ไหมไ <ป S 1> ครับไปทําอีกนะยังไม่พอนะทําไปอีกอดทนคอยรู้กาย ร, ยรู้ใจอย่างที่เขาเป็นอย่าไปบังคับเขานะอย่างใจเราลอยไปเรารู้ว่าใจลอยใจเราสุขรู้ว่าสุขทุกรู้ว่าทุกนะหัดรู้ไปหนูจะรบกวนขอกันบ้านหลวงพ่อใจ<ด>ยัง <นะ S 2> ไม่ตั้งมั่นนะนะขณะนี้ดูออกไม้มใจมันออกไปอยู่ข้างนอก แต่มันมาอยู่ที่หลวงพ่อนี่ให้รู้ทันว่าใจมันไปข้างนอกนะแล้วใจมันจะตั้งมั่นขึ้นเองอย่างนี้หนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมแล้วพยายามไปดึงมันอย่าดึงนะให้รู้เฉยๆอย่าทำอะไรมากกว่ารู้เบอร์ <Okay. S 1> 96 96หกเหยกมืออยู่ข้างหน้าเกหคุณมาลีเลยไม่ได้ฟังเทศหมดแต่เขียนป้า <laughs> ย น้ามรสมรจหลวงพ่อค่ะหนูไม่ได้ส่งกันบ้านมา4ี่เดือนนะคะก็ระหว่างนั้นก็ไปปฏิบัติในรูปแบบโดยการเดินจงกรมวันละหนึ่งชั่วโมงแล้วก็สังเกตว่ารู้สึกตัวได้ดีขึ้นดีขึ้นจิตใจมันตั้งมั่นขึ้นนะคะแล้วก็สังเกตว่าขยับกายนิดหน่อยก็จะมีสติระหว่างวันก็เห็นจิตที่ไปเพลอคิดลงคิดได้บ่อยขึ้นดีนะภาวนาได้ดีไปทาอีก ทำไปเรื่อยจนวันหนึ่งก็ได้มรรคผลนิพพานไปขอบพระคุณค่ะเส้นทางของการที่จะเกิดมรรคผลนิพพานก็มีสติรู้กายรู้ใจนี่แหละอาจนรยมหาบัวสอนหลวงพ่อการปฏิบัติไม่มีอะไรหรอกมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปอย่างตอนนี้ใจไปคิดทราบไหมราบค่ะยังกดอยู่เล็กน้อยตอนนี้ทราบไหมกดเพราะกลัวหลวงพ่อจิตตอนนี้ไม่เหมือนที่บ้านคะที่บ้านใช้ได้ที่บ้านถูกต้องเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ เ, เบอร์ห้าสิบสี่ เบอร์ห้ี่นะอยากถามหลวงพ่อว่าที่ทําอยู่ถูกต้องเปล่าอยากให้รู้ว่าอยากสิ <c oughs> อยากถามหรือว่าอยากถามก่อนนะ <c oughs> รู้ว่ายังรู้ค่ะ ร, รู้ไม่จริงเนี่ยมันยังอยากอยูอย่เห็นไหม <c oughs> ที่ทําอยู่ก็ดีแล้วล่ะเราทําถูกต้องอใช่ไหมคะใครรู้สึกไปนะแต่อย่าไปบังคับใจนะ <c oughs> มันยังบังคับใจให้นิ่งไปนิดหน่อย แล้วบางครั้งที่เห็นคือไม่ได้เห็นอะค่ะคือรู้สึกว่าเวลาเดินเดินไปไหนแล้วเราเห็นว่าไม่ใช่คนที่กำลังเดินอยู่หรือนั่ง อ, อยู่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหล ะ, ะ, ะเห็นอย่างนั้นถูกแล้ว แต่เห็นคนอื่นหรือเห็นตัวเราเห็น <c oughs> คนอื่นใช่เห็นตัวเราด้วยสิเห็นด้วยนะอยังไปเห็นแต่คนอื่นไม่ใช่คนง่ายมากเลยเห็นคนนี้ก็ไม่ใช่คนคนนี้ก็ไม่ใช่คนฉันเป็นคน <c oughs> คนเดียวแต <c oughs> ่พอเห็นแล้วมันจะเกิดความรู้สึกเศร้ารอคะค่ะเออนะให้รู้ทันไปใจยังไม่ยอมรับความจริงความจริงก็คือมันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรอกแต่ใจมันยังยอมรับไม่ได้ยังอาลัยอาวรณ์อยู่ก็ให้รู้ทันใจที่เศร้าไปนะอย่าให้ความเศร้าครอบงําใจนะ แล้วก็เวลาฟังซีดีหลวงพ่ออยู่ที่ออฟฟิศอะไรเงี้ยค่ะฟังเราก็ไม่คม่อย<ำ>อยากทำาไม่ทํางานเหร อ, อระวังหนะ้าตอนเนี้เขากำลังหาเรื่องปลดคนอยู่ <c oughs> ต้องขยันทํางานนะเราถือว่าเรามีหน้าที่ถวาเขาจ้างเราไปทํางานแล้วก็เวลามาเดินจงกรมอะไรเงนะี้ยนะหนีอันนี้เหมือนเราไปลักทรัพย์เขาสรนะ้างเราแบบก็จะหนีไปเดินจงกรมอยู่ที่วัด นั่นแหละ <laughs> นะเดี๋ยวมันจะเข้าขายลักทรัพย์นะเขาจ้างมาทำงานทำงานไปทำงานแล้วก็ใจมันเบื่อรู้ว่าเบื่อนะถ้าหมกมุ่นในการปฏิบัติมากไปเดี๋ยวจะซึมไปไม่ดีซึมนิดหน่อยแล้วนะ เ, เบอร์19นี่สารภาพมาจนได้ว่าแอบไปเดินจงกรมมาจริงๆอย่างที่สงสัย <c oughs> อมาว <c oughs> ่าไป ก็ตอนนี้รู้สึกเหมือนเหมือนโลกมันจืดๆลงนะครับแล้วก็แต่ว่าก็กลัวว่าไปติดอยู่กับอะไรเป็นภพที่ว่างๆหรือเปล่าใช่ใช่ไปติดอยู่หน่อยๆนะแต่ยังติดไม่แรงหรอกดีที่ช่างสังเกตครับแล้วใจมันโล่งว่างกว่าความเป็นจริงดูออกไหมครับผมอย่าไปอยู่ตรงนี้ให้ใจเป็นคนธรรมดาครับนะจิตของมนุษย์ธรรมดาดีที่สุดนะถึงชื่อว่าเป็นมนุษย์จิตอย่างนี้จิตของพรม ออกมากลับมาอยู่กับโลกครับเบอร์64ยกมือเบอร์ v 64ยกมืออยู่ข้างหลังหลวงพ่อคะอยากจะกลับเรียนหลวงพ่อทีหนึ่งคนนีตอนนี้เคยเคยเคยปฏิบัติจากสถานที่อื่นมาคนนี้ไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่กับชาอยู่หรือเปล่ า, ลามันจะมีมันไม่ใช่ชานะมันจะติดความซึมมากกว่าแล้วไงแล้วคนนี้มีอยู่บางช่วงเนี่ยที่เคยทำอะทาไปได้สัก ปีออกว่ามีช่วงหนึ่งอะที่ทําไปได้สักสักระยะหนึ่งแล้วคนนี้มันมีความรู้สึกเหมือนกับตัวเองอะแค่ช่วงสิบวินาทีมีความรู้สึกเหมือนตัวเองอะตรงช่วงบริเวณขาตักเนี่ยมันจะมีเหมือนเหมือนตัวเองมีกําลังจะแยกลากออกมาไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าเป็นเรื่องสมถะนะเป็นสมถนะมถแยกได้จริงๆด้วยอยากาไปเที่ยวไหนเราก็ถอดออกมาหนีไปเที่ยวตอนนั้นคือแบบเป็นช่วงแค่สิบวินาทีแล้วนั่งไปได้ประมาณสิบาทีแล้วมันเป็นช่วงสิบวินาทีอันนี้ก็ตกใจกลัวแบบ ไปไหนก็เลยแบบก็เลยพยายามถอนสมาธิขึ้นมาเออนะพยายามมาฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันให้มากๆการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันนะอย่างเราอยู่ในโลกเนี่ยตาเรามองเห็นใจเราเป็นยังไงเรารู้ทันหูเราได้ยินเสียงใจของเราเป็นยังไงเรารู้ทันใจเราไปคิดจิตใจเราเป็นยังไงเราคอยรู้ทันนย่านี้ปลอดภัยกว่า ถ้านั่งๆั่งนะจิตรวมไปแล้วก็เป็นสว่างขึ้นมาอยากรู้อยากเห็นเล่นไปได้หมดอะนะมันเป็นสมถะนะแล้วอย่างงี้ที่นั่งนั่งอยู่แล้วมีฝันเหมือนกับเรานอนฝันอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นนั่งฝันอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้เป็นไปได้เลยล่ะนั่งฝันแล้วตอนนั่งสมาธินะบางทีเขาเรียกสกโกเลยว่าเกิดนิมิตนะอันนี้คือนิมิตปะคะหรือว่าเป็นที่เราฝันแต่มันเหมือนกับนอนฝันมากอนั่นแหละใจมันฝันนะมันไม่เชิงถึงขนาดนิมิตอ คือสติมันอ่อนไปพรสติมันอ่อนนะใจมันก็แอบทำงานไปตามความเคยชินอารมณ์เก่าๆไหลขึ้นมาฝันเรื่องโน้นฝันเรื่องนี้ไปอย่างนี้ถ้าสมมติว่านั่งๆไปเสร็จแล้วเกิดมันมันนิ่งแบบไม่คิดอะไรเลยอย่างนั้นคือถูกไมคะไม่ถูกหรอกพยายามให้รู้ทันจิตที่ทำงานรู้ทันร่างกายที่ทำงานไม่ได้ฝึกเอานิ่งนะการฝึกเอานิ่งเนี่ยเรียกว่าสมถะกรรมฐานมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีก นะฝึกแล้วสูงสุดได้ไปเป็นพระพรหมต้องไปเฝ้าโรงแรมนะลำบากนั้นะอย่าไปอยู่ตามโรงแรมอย่างนั้นนะเราเป็นมนุษย์ธรรมดามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงนะมนุษย์ธรรมดานะใ จ, ใจมันจะเปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเรามาอยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละเราจะเห็นใจของเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นแล้วเราจะได้รู้ว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้ก็คือว่าให้รู้กายรู้ใจตลอดเวลา เท่าที่รู้ได้นะแต่บ่อยๆแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติเวลาทํางานเราจำเป็นต้องรู้ไหมคะไม่ได้เราต้องรู้งานเวลาที่เราทํางานที่ต้องคิดนะเราต้องไปรู้เรื่องงานต้องไปคิดเรื่องงานไม่ใช่เวลาปฏิบัติแต่ว่าถ้าเราทํางานที่ใช้ร่างกายเช่นเราไปขี่สําล้อเราไปลดต้นไม้เราไปอาบน้ําให้หมาไปซักผ้าถูบ้านอะไรเงี้ยอันนี้เราเห็นร่างกายทํางานอย่างนี้เราปฏิบัติทําได้งั้นถ้าปฏิบัติด้วย ทำงานด้วยการคิดเนี่ยในเวลานั้นปฏิบัติทําไม่ได้อย่างนี้ถ้าสมมติเวลาที่เราทํางานอย่างนี้แล้วเรามีสติอย่างนี้เหมือนเหมือนกับว่าเรากําลังดูจิตอยู่ปะคะมันทําไม่ได้จริงหรอกจะกลายเป็นการเพ่งไว้เฉยๆแล้วงานก็จะไม่ค่อยจะดีด้วยเพราะฉั้นเวลาทํางานนะตั้งใจทํางานไปแล้วพอกิเลแสแทรกขึ้นมาเช่นอยากให้งานเสร็จเร็วๆรู้ว่าอยากขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ไม่ต้องดูตลอดเวลา แต่ถ้าทํางานที่ใช้ร่างกายได้นะเช่นเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยเราเคลื่อนไหวเรารู้สึกอย่างนี้ใช้ได้มันปฏิบัติได้อย่างนี้ทําทําไปเสร็จทํางานไปเสร็จแล้วรู้สึกว่ามันเบื่ออย่างนี้เรารู้ว่ามันเบื่อแต่ว่าเราะจะเป็นต้องแก้ทุกตรงนี้ไหมคะไม่ต้องแก้ <ไป S 1> นะให้รู้ตามความเป็นจริงเราจะเห็นเลยว่าจิตมันเบื่อของมันเองมันไม่ใช่เราจงใจเบื่อใช่ไหม<ช>จิตมันเป็นเอง เราจะภาวนาไปจนกระทั่งเราเห็นความจริงว่าจิตมันเป็นของมันเองได้สารพัดเลยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกคุณตั้งหลักให้ดีนะการภาวนาเนี่ยภาวนาไปเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะพระโสดาบันมีปัญญานี้เพราะงั้นเราจะต้องมุ่งมาสู่จุดนี้แต่เราไม่ได้ภาวนาให้มันดีมันสุขมันสงบอะไรแต่ภาวนาเห็นจิตมันทางานอย่าตอนนี้จิตเกิดความสงสัยทราบไหม แล้วเนี่ยสงสัยแล้วก็รู้ไปอย่างเนี้ยนะจิตเป็นยังไงก็รู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้อย่างนี้ถ้าสมสมติว่าเรานั่งไปแล้วเราท่องพุโทโธไปเรื่อยๆแต่ให้รู้ว่าเราก็มีความมีรู้สึกตัวว่าเป็นเป็นแขนขาท่าไหนนั่งท่าไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนั้น <Councillors S 1> นะอย่างนั้นเดี๋ยจะไปเพ่งกายอีกเอาใหม่นะลองพุโทโธพุธโทโธไปแล้วพอใจแอบไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดพุโทโธพุธโทโธแล้วใจฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านพุโทโธพุธโทโธแล้วใจสงบรู้ว่าใจสงบ พุทโธแล้วซึมรู้ว่าซึมพุทโธแล้วใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปลองอย่างนี้นะก็คือให้รู้อารมณ์ตัวเองว่าใช่ใช่ไม่ใช่พุทโธอย่างเดียวเป็นนกแก้วนกขุนทองอย่างนี้ถ้าสมมติว่าพุทโธเสร็จแล้วมันนิ่งอยู่ในคําว่าพุทโธอยู่ในอารมณ์เดียวนี่ก็รู้ว่าจิตนิ่งไม่ไม่ดีหรือเลวเราฝึกเพื่อจะรู้ทันจิตไม่ใช่ฝึกให้จิตนิ่ง แล้วยังงี้เมื่อไหร่จะดําเนินวิปัสนาได้อะคะเมื่อเห็นว่าจิตมันทํางานได้เองมันไม่ใช่ตัวเรานั่นแหละเรียกว่าวิปัสนาของคุณนะเดี๋ยวหลวงพ่อ assign ให้ของคุณไปฟังซีดีของหลวงพ่ออีกนะไปฟังซีดีเบอร์ร้อยสามหลักต้องแม่นก่อนนะถึงจะภาวนาถูกร้อยสามเดี๋ยวนะเบอร์อื่นยังไม่ต้องยกนะร้อยสสิบอยู่ไหนเอ กร่าวนวัตการหลวงพ่อครับผมเริ่มศึกษาแนวทางปฏิบัติของหลวงพ่อมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วครับทีนี้ผมก็พยายามตามดูจิตอย่างที่หลวงพ่อแนะนํานะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าจริตของผมเนี่ยถูกกับการดูจิตไหมครับถูกของคุณเป็นคนช่างคิดครับผมก็พยายามคิดตามวิธีที่หลวงพ่อสอนครับคิดกับอดีตพยายามวิเคราะห์นะครับนั่นแหละไม่ใช่ดูจิตดัง น, นั้นคิดเรื่องจิตครับผมไม่คิดนะ ให้รู้ความรู้สึกที่กําลังปรากฏสดสดร้อนๆ้อนรู้ไปเรื่อยๆครับผมเราต้องคิดแล้วถึงแยกเป็นโมหะโทสะไหมครับหรือว่ารู้แค่คิดต้องไม่ต้องอะไรเกิดขึ้นก็รู้เช่นใจเราแอบไปคิดก็รู้ไม่ต้องแกวนป้ายหรอกว่าตอนนี้มีโมหะใจเราราคาญขึ้นมาก็รู้ไม่ต้องแกวนป้ายว่ากําลังมีโทสะนะครับผมคําพูดไม่สําคัญสําคัญที่เราเห็นกิริยาอาการของมันให้ความรู้สึกนะครับอีกคําถามนะครับหลวงพ่อครับ ผมมีความรู้สึกว่าจิตของผมมันจะแข็งแข็งทื่อๆ ถ, ถูกต้องมานานแล้วทีนี้ทํำยังไงก็ยังโลงไม่เป็นนะครับอยากให้หลว<อ>งพ่อช่วยนะมันแน่นขึ้นมาเพราะเราจงใจปฏิบัติเลิกปฏิบัติไปสิแล้วหายเลยเลิก ป, ปเลกปฏิบัติไปนะแต่ว่ากิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้กิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ลืมคําว่าปฏิบัติซะแล้วกิเลสอะไรโผล่ขึ้นมาก็คอยรู้เอานะนั่นแหละคือการปฏิบัติที่ประณีตลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีก ครับผมขอบคุณครับเมืยี่สิบสามเนี๋ยวหลวงพ่อยังไม่เรียกใหม่นะเรียกใหม่จดยากเนียให้หมดกระดานแล้วให้เรียกกันอีกทีกราบน้มัสการะคะอยู่ไหนอยู่ไหนน้มัสการที่ไหนคือ <c ười> วันนี้พาพ่อกับแม่มาด้วยอาหาะก็เลยอยากให้หลวงพ่อช่วยชี้นแนะลูกหละลูกแหะลูกก็ปฏิบัติมาได้สักระยะหนึ่งแล้วจิตเป็นยังไงตอนนี้ตื่นเต้นคะ่ะแล้วไงอีก กดไว้ดูออกไหมก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาก็รู้สึกว่าตัวเองใจมันหลุกลิกหลุกลิกดออกไหมสงสัยรู้ไหมรู้ค่ะรู้ลงปัจจุบันไปไหนพ่อแม่อยู่ไหนแม่ค่ะแล้วก็คนนี้พ่ออยากจะให้ช่วยชี้แนะ่าพภาวนาไม่ยากหรอกนะแม่ภาวนาไม่ยากให้แม่ฟังซีดีนะฟังซีดีไปแล้วสังเกตใจไป อย่างบางทีหลวงพ่อก็เทศให้ขำๆรู้ว่าขำบางทีฟังหลวงพ่อแล้วงงรู้ว่างงนะทั้งพ่อทั้งแม่แหะไปฟังเอานะฟังแล้วสังเกตสภาวะไปเรื่อยการหัดสังเกตสภาวะเนี่ยเป็นต้นทางการปฏิบัติเพราะการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะั้นคือการรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของตัวสภาวะนั้นหัดดูสภาวะไปเรื่อยใจโลภ ก, ก็รู้ใจโกรธก็รู้ใจหลงก็รู้นะดูไปเรื่อ ย, อยต่อไปสติจะเกิดเองเบอร์97 กับนามัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะคือหนูดูจิตมาประมาณเกือบ2ปีแล้วก็ฟังซีดีของหลวงพ่อนะคะวันนี้ก็จะมาส่งกันบ้านคือในแต่ละวันเนี่ยเดี๋ยวนี้สติเกิดบ่อยขึ้นโดยจะเห็นว่าจิตเนี่ยหนีไปคิดตลอดเวลาแล้วบางทีเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่ภายในทิศนี้ค่ะคือจะมีเสียงบ่นมาตลอดใช่หคะจากคนที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้สติเกิดบ่อยก็คือมันจะเห็นว่า เรากำลังโกรธแล้วสักพักนึงก็จะไปเห็นว่าจิตไหลไปกับความคิดสักพักพอเราเห็นตรงนี้ปับ๊บจิตความโกรธที่มันกําลังจะขึ้นแบบเนี้คทำมันก็ลงลงสุดแล้วก็สภาวะโกรธหายไปเลยหนูก็ทํางานบ้านต่อก็ไม่สนใจคนที่บน่นเออดีอยากบ่นได้ก็บ่นไปเมื่อเยเองอะ่ะเดี๋ยวเ้าเหนื่อยเขาก็หยุดบน่นใช่ใช่ไม่นบ่นไม่ได้ตลอดหรอกมันก็เป็นไตรลักษณ์เหมือนกันใช่ค่ะหนูก็เห็นสภาวะธรรมนี้หลายครั้งแล้ว ทำไมหนูดูหรู้ไหมทําไมพอหนูรู้ทันใจที่ไหลไปคิดแล้วความโกรธมันหายไปเพราะความโกรธเนี่ยเกิดจากพยาบาทวิตกการคิดไปในทางไม่ดีทําให้เกิดความโกรธใช่ค่ะราคะก็เหมือนกันราคะเกิดจากการมาวิตกเราไปคิดถึงอะไรที่สวยสวยงามอะไรเงี้ยเดี๋ยวราคะก็เกิดค่ะไม่กิเลสเกิดตามหลังความคิดมานะการที่เห็นว่าเราไปคิดแล้วมันก็โกรธพอเรารู้ทันว่าจิตคิดตรงที่เรารู้ทันว่าจิตคิดเราไม่ได้คิดแล้ว <C HA> เราไม่ได้เราไม่ได้คิดนะเหตุของความโกรธก็ไม่มีใช่ไหมความโกรธก็ดับไปค่ะไม่ใช่ว่าเราไปดับมันได้แต่มันดับของมันเองเพราะว่าเหตุของมันหมดค่ะดีภ <พอ S 2> าวนาได้ดีค่ะ <C HA> แล้วอย่างนี้สติตัวจริงหนูเริ่มเกิด <C HA> เ, เกิด <C HA> สิไม่เกิดไม่เห็นอย่างนั้นหรอก <C HA> อ๋อค่ะค่ะขอบคุณดีใจไหมดีใจค่ะดีใจรโลดีใจค่ะต้องอย่างนั้นค่ะขอบคุณค่ะมีอีกไหมใครจะถามเบอร์สามสิบหกนะ แล้วก็ร4 9เบอร์12แล้วก็เบอร์ร้9ได้เท่านี้แล้วนะหมดละหมดแรงไม่ใช่หมดอะไรหรอกสอนแบบหลวงพ่อนะี่ยเหนื่อยมากเลยดูพวกเรานะยิ่งกว่าดูจับปลูกใส่กระด้งนะมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเพิ่งปฏิบัติธรรมเหมือนนะคะมาไม่นานน ะ, นะคะแล้วก็ได้ฟังซีดีของหลวงพ่อเนี่ยมาประมาณสักองเดือนนะคะก็ถือว่าตัวเองเป็น อนุบาลนะคะในทางสายธรรมตอนปฏิบัติในช่วงนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดก็คือมันเหมือนได้เห็นภายในจิตของเราอนะคะแล้วมันก็เห็นภาพยนตร์เก่าๆทุกวันทุกวันเห็นอยู่ทุกวันเห็นจนบางทีก็ลาคาญใจจนกระทั่งบางครั้งต้องส่งจิตออกนอกด้ซ้ำโอ๊ย <laughs> ไม่ใช่อย่างนั้นหรือบางหรื อ, ห ร, อหรือบางครั้งก็อย่างที่หลวงพ่อได้เทศไปเมื่อเช้านี้นะคะก็คือ การทำสมถะสมาธิต่อเป็นี้เอางี้นะเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อลดไอ้ความไอ้ตรงนั้นอะค่ะพอจิตมันลาคาญนะให้รู้ว่าลาคาญให้เห็นว่าจิตมันลาคาญนะไม่ต้องไปแก้ไขของคุณพยายามแก้ไขถ้าแก้ไขไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาคือรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจิตมันลาคาญขึ้นมารู้ว่ามันลาคาญดูเหมือนเห็นคนอื่นลาคาญนอะค่ะไม่ใช่ไปดูให้หายลาคาญนะค่ะ ก็ก็มองให้เห็นความรำบาญนั้นใช่ไหมคะใช่ใช่ให้รู้ทันเหมือนที่เด็กผู้หญิงตะกี้ส่งกันบ้านนะเห็นโทสะมันผุดขึ้นมานะโทสะมันก็สลายไปไม่ได้ทำอะไรมันหรอกแล้วอย่างที่ปฏิบัติปัจจุบันเนี่ยไม่ไม่ทราบหลวงพ่อจะชี้นะยังยังยังนิ่งเกินไปนะไปกดมากไปนะคะปล่อยซะปล่อยถ้าเราไม่ปล่อยในตรรัก์ไม่แสดงขึ้นมาหรอกค่ะ เพราะฉะนั้นบางทีก็มีความรู้สึกว่าจิตก็จะแข็งแข็งทื่อๆซึมๆมเหมือนกันตัวนั้นต้องเลิกเลยค่ะชีวิตชีวาไปเลยจากคนที่เคยรู้สึกว่าจะจะเป็นคนแอคทีฟหรืออะไรก็จะเป็นคนที่เงียบเงียบลงเรื่อยๆเยไม่ดีนะมันถดถอยนะกลับมาอยู่กับโลกแล้วรู้ทันใจตัวเองต่อไปเบอร์โทษนะคะกราบเรียนหลวงพ่ออีกคำถามนึงอะค่ะ อย่างที่หลวงพ่อเทศเมื่อเช้านี้นะคะว่าแม้แต่อกุศลเล็กๆน้อยๆก็อย่าให้เกิดใช่ไหมคะไม่ใช่ให้รู้ทันมันนะให้รู้ทันเฉยๆอย่าเป็นอย่าปประมาทถ้าไม่รู้ทันคือประมาทมันมันจะโตขึ้นแต่ไม่ใช่แปลว่าไม่ให้เกิดนะห้ามมันไม่ได้คําว่ารู้ทันคือให้มองเห็นตามความเป็นจริงใช่ไหมคะใช่ใอย่างมันโมโหขึ้นมารู้ว่าโมโหอย่างขนาดเนี้ยมันอยากพูดรู้สึกไหม อยากพูดเนี่ยเป็นโลภะเล็กๆน้อยๆอยากพูดธรรมะด้วยเห็นไหมก็เป็นกิเลสกีเลสละเอียดค่ะเพราะว่าตรงนี้ฟังเมื่อเช้าก็เลยเกิดความสงสัยแต่ตอนนี้รู้ว่าสงสัยะเพราะว่าสงสัยในแง่ที่ว่าเวลาที่สิ่งที่อกุศลจิตเนี่ยเข้ามาในจิตของเราเนี่ยเราเห็นเราเห็นค่ะคราวนี้เราพอเราเห็นปุ๊บเราก็พยายามที่จะดึงสิ่งที่เป็นกุศลจิตเนี่ยเข้ามาแทนเออไม่เอานะ ให้รู้ตามความเป็นจริงดูไปจนเห็นอกุศลมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่ใช่ฝึกไล่มัน <c oughs> <c oughs> เ, เบอร์สามสิบหกสามสบหกแล้วนะเบอร์ร้อยสี่สิบเก้ายกไว้ร้อยสี่สิบเก้านะใหม่มาจากข้างหลังนมัต ก, การหลวงพ่อคะ่ะขอส่งกันบ้านนะคะช่วง อ, อ, อาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาคะ่ะก็คือรู้สึกว่า ตัวเองนี่ค่อนข้างจะเลวมากคือนี้ที่พาวนาอยู่ดีนะพาวนาอยู่ใช้ได้จิตมันไม่ดีรู้ว่าไม่ดีอะไรเงี้ยฝึกไปใจมันตื่นขึ้มาแล้วคอยดูมันทำงานไปนะช่วงนี้คือจะแย่หน่อยเพราะว่ามีวิบากแล้วก็เรื่องวิตกกังวลเยอะค่ะไม่เห็นเป็นไรเลยกังวลรู้่ากังวลมีอะไรเกิดขึ้นรู้มันลูกเดียวไปถ้ามันรู้แล้วมันทุกข์ยากทนไม่ไหวก็ท่องคาถาไว้คาถาว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ค่ะแต่ตอนนี้ก็คืออยากให้มันผ่านไปเหมือนกันนะนะคะใหรู้ว่าอยากนะอะไรก็ตามที่เราไม่ชอบเนี่ยมันจะอยู่นานเสมอทําไมมันรู้สึกว่าอยู่นานเพราะเราอยากให้มันหายเร็วๆความสุขนะมันสั้นไปเสมอแหละเพราะเราอยากให้มันอยู่นานนะะรยเวลานนาหรือไม่นานอะไรเนี่ยอยู่ที่ใจเรานี่เองถ้าใจเป็นกลางนะมันก็ไม่มีเวลา บังเอิญวันนี้พาเพื่อนมาด้วยค่ะอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำไหนเพื่อนแล้วไปบังคับเขามาหเปล่าใช่ค่ะ <c oughs> อย่าไปบังคับเขาธรรมะนะไม่ใช่ของบังคับกันค่ะ <c oughs> แล้วแต่บุญวาสนาค่ะ <c oughs> <c oughs> นะอย่าไปข่มคืนใจบังคับกันไม่ดี <c oughs> ขอบพระคุณค่ะเราภาวนาของเราดีแล้ว <c oughs> ต่อไปเราเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เขาเห็นเรามีความสุขให้เขาเห็นเดี๋ยวเขาสนใจเองว่าเราทํายังไงนะ อาเบอร์สิออยู่ข้างหน้ายกมือแล้วส่งมาคนสุดท้ายคือเบอร์ร้อยเกากับนำมันรัการค่ะหลวงพ่อวันนี้พาคุณแม่มาค่ะคือคุณแม่เป็นคนที่คิดมากแล้วก็ขี้เกียแม่ไปว่าแม่คือเห็นคุณแม่เขาชอบเป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานเป็นห่วงคุณพ่อก็อยากจะให้แม่ที่ไหนก็ห่วงลูกทั้งนั้นหลหนู อยากจะให้หลวงพ่อเมตตาสอนธรรมะคุณแม่ให้ให้คุณแม่เดินเข้ามาในเส้นทางภาวนาค่ะไหนแม่อยู่ไหนอยู่โน่นนะคะมาไ<ห>ม้มยกมือหน่อยอ๋อเห็นไหมเราไปห่วงลูกลูกเขาว่าเอาอย่าไปห่วงเลยมันโตแล้ว <laughs> <laughs> นะอายุเยอะละเราเราต้องห่วงตัวเองแล้วละ่ะนะ วิธีห่วงตัวเองนะก็คือเราต้องเตรียมตัวเดินทางไกลไม่นานเราจะต้องเดินทางไกลเรารักลูกแค่ไหนเราก็อยู่กับเขาตลอดไม่ได้รักสามีแค่ไหนก็อยู่ด้วยกันตลอดไม่ได้ถึงวันหนึ่งเราต้องไปตามทางของเราไปด้วยตัวของเราคนเดียวเราก็ต้องมีความพร้อมที่จะเดินทางนะพยายามจเจริญสติไว้คอยรู้ทันจิตใจของเราใจเราห่วงลูกให้รู้ว่าห่วง ใจเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้รู้ว่ากังวลไม่ต้องสนใจคนอื่นแล้วให้สนใจแต่จิตใจของเราเองเตรียมตัวเดินทางไกลได้ความจริงไม่ใช่คนแก่จะต้องตายก่อนนะอย่ามาทําไปลำพองเอาเบอร์ร้อยเกรอยอยู่ข้างหลังอย่างเด็กๆนะ้าตายไปก่อนหลวงพ่อเยอะแล้วนะครับอ่ะเอ่อ อยากจะถามหลวงพ่อว่าที่เคยฟังซีดีหลวงพ่อมีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะได้ได้ฟังหลวงพ่อบอกว่าที่ว่าจิตมันมีสามอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงฮะที่ว่าจิตเนี่ยเป็นได้สามอย่างเนี่ยเป็นยังไงมั้งครับเป็นอะไรล่ะมันเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรใครจําได้ที่หลวงพ่อเทศเทศไปนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยจิตเนี่ยฮะมันมีสภาวะที่มันเป็นได้สามอย่างเนี่ยแล้วแล้วหลวงพ่อก็หยุดไปมันแยกแรกแยกได้หลายอย่างนะ เป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้เป็นกลางๆงก็ได้มาอันนี่ก็สมใช่ไหมมันเป็นสุขก็ได้มันเป็นทุกข์ก็ได้มันเฉยเฉยก็ได้มันอยู่ในกามาวจรอย่างจิตมนุษย์นี่ก็ได้อยู่ในรูปาวจรอยู่ในอรูปาวจรก็ได้ในการจําแนกจิตในกลุ่มของ3นี่แยกได้เยอะแยะต้องดูว่าตอนนั้นพูดเรื่องอะไรอยู่นะแต่รวมความก็คือทําไมเราเห็นจิตแยกได้หลายอย่างแล้วมันได้อะไรขึ้นมา เราจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่เที่ยงครอกจิตเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นเป็นอย่างโน้นแล้วก็ไม่เป็นจิตทุกชนิดไม่ว่าจะมีกี่อย่างก็ตามมันเกิดระดับทั้งสิ้นเนี่ยสาระสําคัญจะอยู่ตรงนี้มากกว่านะดูไตรลักษณ์หลวงพ่อจําไม่ได้แล้ววันนั้นคุยไปเรื่องอะไรต้องดูบริบทเนื้อหาที่แวดล้อมมันดูด้วยว่าพูดเรื่องอะไรไว้นะเพราะธรรมะอย่างเรื่องของจิตที่แยกได้กลุ่มสามเนี่ยเยอะแยะเลยแยกด้วยองค์สามเยอะแยะไป ถือว่าทุกคนได้เรียนรู้พอสมควรแล้วนะคนไหนอยากถามแล้วยังไม่ได้ถามดูใจไปได้ได้บทเรียนไปนหนึ่งบทดูใจนะส่วนคนไหนวันนี้ไม่มีบางคนบางวันจะมีหลายคนนะประเภทไหนะชั้นเด่นชั้นดังหลวงพ่อจะต้องทักชั้นหลวงพ่อไม่ทักชั้นนะชั้นจะโมโหหลวงพ่อเลยต้องรีบทักเลยหลวงพ่อกลัวแกตกนรกงนะั้นต่อไปนี้หลวงพ่อจะใจร้ายแล้ว ใครจะมาเล่นลูกไม้เหมต้องไม่ถามไม่ทักเราจะโกรธนะโกรธไปเลย <c oughs> นะไม่เอาใจอีกต่อไปแล้วนะพวกเราวันนี้ใช้ได้เลยวันนี้พวกเราดีจิตใจพวกเราโล่งๆจิตใจเราสว่างสวัยอย่างนี้หลวงพ่ออยากให้พอนะขอให้ชีวิตพวกเรามีความเจริญรุง่งเรืองนะมีความสุขทำใดที่หลวงพ่อเข้าใจแล้วขอให้พวกเราเข้าใจด้วยนะความสุขใดที่หลวงพ่อเข้าถึงแล้วขอให้พวกเราเข้าถึงด้วย แต่จะขออย่างเดียวไม่ถึงหรอกจเจริญสติไปนะต้องทำในสิ่งที่หลวงพ่อทำแล้วมันถึงจะเป็นอย่างหลวงพ่อมีสตริรู้กายมีสตริรู้ใจไปเรื่อยๆนะคุณความดีอะไรที่ควรทำมีโอกาสท ำ, ทำก็ทำอกุศลได้เกิดขึ้นรู้ทันมันอย่าให้มันครอบงาใจแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นโดยไม่ต้องขอพรใครเลยเชิญกลับบ้าน